มีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายไม่ต้องนึกอายเป็นลูกผู้ชายเือต้องกล้า มีเมีเด็กสเปกร่างกายของผู้เท่าอย่างเราก็ต้องคอนโทนให้ดีใจของเราเป็นหนุ่มร่างกายของเราก็ต้องไม่แพ้ใจของเรานี่เลยครับผมพรสักส่องแสงขอแนะนำคอฟฟิโกกาแฟท่านชายกล่องสีทองตราหัวสินโตดื่มอร่อยสู้ไม่ถอยดื่มทุกวันเป๊ะทุกวัน <c oughs> คอฟฟิโกกาแฟท่านชาย กล่องสีทองตราหัวสิงโตของเขาดีอีหลีครับผู้ชายดืนผู้หญิงชอบชอบของแท้ของจริงต้องมีสติ๊กเกอร์สี่เหลี่ยมสะท้อนแสงพิมพ์คำว่าสายฟ้าเรดิโอติดที่กล่องสนใจติดต่อคลอเซนเตอร์084 643 2322และ085 188 3032ครับ